มทนาสาธารณและท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายประสชุ์ในวันนี้ก็คงเป็นพระธรรมจั ก, กรประพันสูตรช่วงสุดท้ายวันก่อนเราได้พูดมาถึงตอนที่รับสั่งเล่าถึงอาการของข่าวมาตรสุร์เป็นผลของการปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาจึนถึงจุดหนึ่ง คือจิตเป็นสมาชิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดปุดขึ้นภ า, ายในภายในพระไทของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือประยานทั้งสามประการเกิดขึ้นในอริยสัจทั้งสี่ประการประยานละหนึ่งครั้ง พยานแรกเรียกว่าสัจจะยานรู้ความจริงของอริยสัตว์แต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้ว่านี่คือทุก์นี่คือเหตุเกิดแห่งทุก์นี่ความดับทุกขนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกขพยานข้อที่สองเรียกว่ากิจจะยานรู้ภาระหน้าที่ที่จะต้องทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อว่าทุกนั้นควรกําหนดรู้ถึงความจริงเอาไว้ สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งแล้วก็มรรคควรเจริญจนเราเห็นว่าความรู้ตรงนี้ที่จริงมันรู้ด้วยปริยัติก็ได้นะฮะรู้ด้วยการคิดเราก็ได้แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าเป็นญาณระดับโลกุตระก็ทำให้เกิดพยานข้อที่สามขึ้นเรียกว่ากะตะญาณคือรู้ว่าได้ทำแล้วก็มี มันมีสามจังหวะในแต่ละรีสัตว์ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วนี่คือสมุทยัยสมุทัยควรละเราได้ละแล้วคําว่าเราก็เกิดขึ้นไปในปัทธายของของขุนเจ้าเองนะฮะกรณีนิโรดนิโรธควรทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วนี่คือมรคมรควรเจริญเราได้เจริญแล้วก็กลายเป็นพยานสมเกิดขึ้นในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการยานละหนึ่ง เอามาคูณกันก็เป็นสามสี่ก็สิบสองเป็นภาษาที่ตรงนี้ก็สื่อสารยากเพราะมันเป็นลักแต่เป็นการพูดธรรมะภาคปฏิบัติในช่วงต่อมาก็รับสั่งว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าหากว่ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามมีรอบสามหมายความว่ายานละหนึ่งยันละหนึ่งยันละหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นในอริยสัจสี่แลหมายความว่า รวมแล้วก็เป็นสิบสองครั้งมีรอบสามมีอาการสิบสองหมาควมว่าสามสี่ก็เป็นสิบสองของเราถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณว่าจะสรู้เฉพาะในหมู่เทวดามารพรมทั้งหลายเพียงนั้นหมายความว่าถ้าสิ่งนี้ยังไม่ครบสมบูรณ์อย่างนี้ไปปฏิญาณว่าจะสรู้ไม่ได้ าการปฏิญาณว่าจัตสรู้ก็หมายความไอสิ่งทั้งสามประการนี้สมบูรณ์แล้วปริญาณทั้งสาม่เกิดขึ้นในอริยสัจสี่ทั้งอริยสัจทั้งสี่ประการนั้นสมบูรณ์แล้วเป็นข้อที่น่าคิดว่าเป็นการจัดสรู้ชอบในหมู่เทวดามารพรหมหมายความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกจะเรียกชื่ อ, อยังไงกัาง ก, ก็มีอยู่ผู้เดียวที่ได้จัสรู้แต่ว่า ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ปฏิญาณก็ยังที่บอกไว้แล้วว่าสองข้อแรกเนี่ยที่จริงมันอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้เราก็อธิบายได้พูดได้แต่เราก็ลากิเลสไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะงั้นประเด็นสำคัญจึงมาอยู่ที่ยานข้อที่สามที่มันทำให้เกิดสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นภายในพระไตรปของพระองค์เราก็ได้ยินคำต่างๆเป็นอันมาก จนจิตดูดพนดดพ้นแล้วจากอานสวะทั้งหลายไม่ถึงบั่นอุปาทานหรืออะไรเนี่ยคำที่สื่อสารสภาพจิตในลักษณะนี้จะใช้แตกต่างกันแต่ของพทธเจ้าเป็นการศัสรูมันไม่ได้เกิดขึ้มนมาจากการเรียนจากใครเพราะในสิ่งที่ทรงรู้เต็มตามระบบของมันเนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในประทัยของพระองค์แล้วก็สิ่งนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนแล้วก็ เพราะเพราะก็ยืนยันครั้งที่สองฮะบอกครั้งที่สองก็เพราะว่ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในเดชะสี่มีรอบสามมีอาการสิบสองของเราบริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ์เราจึงได้ปฏิญาณว่าสรัร้พร้อมในหมู่เทวดามารพรุมและมนุษย์ทั้งหลายก็แสดงว่าการยืนยันนั้นก็ยืนยันเมื่อสิ่งมันสมบูรณ์ ก็คล้ายๆกับเราปรุงอาหารนะบอกเสร็จแล้วก็คือก็คือทานได้แล้ว <c oughs> คือถ้ายัางยังยังอยู่ข้างบนเราไปยืนยันว่าเสร็จแล้วไม่ได้เป็นการยืนยันตามสถานะของสิ่งเหล่านัน้นนี่คือหลักการสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราไปยืนยันเนี่ยบางทีมันไม่เกิดไปยืนยันไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วก็ยืนยันในขณะนั้นๆเวลาพูดเป็นการพูดเป็นขณะ ขงรู้เจ้าจะเป็นปการพูดเป็นคณะเมื่ อ, อยังไม่สมบูรณ์ก็คือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือไม่ยืนยันเห็นไหมปัญญวัคีจึงไม่เคยได้ยินจึงไม่เคยได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าพูดเรื่องการรัตโรคเพราะจริงสมัยนั้นถ้าเราถ้าเราถามความจริงว่าทุกเรื่องพระพเจ้ารู้ไหมก็คงรู้นะทุกคน ก, ก็นั่งปวดปวดไม่เมื่อยอยู่เยอะเลย นะแต่ที่นี้มันมันมันไม่รู้ทั้งหมดอ่ะไม่รู้สมบูรณ์ครบทั้งยานสามไม่ได้เกิดในสตีในลักษณะนั้ น, น, นรองจึงไม่ปฏิญาณพอเกิดสมบูรณ์พระองค์ก็ปฏิญาณสถานะคำว่าปฏิญาณก็คือยืนยันสิ่งเดล่านั้นเสร็จแล้วสะอาดแล้วหายป่วยแล้วอะไรต่วอะไรนี่เห็นไหมฮะมันก็คือปฏิญาณว่ายืนยันสถานะของสิ่งเดล่านั้นในขณะนั้น ทีนี้ไอ้จากคำว่า จ, ะจะักรูเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลขึ้นมาภายในพระไทยของปรงุงตลอดการยาวนานไม่เคยมีนะฮะหมายความว่าสภาพยอย่างเนี้ยไม่เคยสัมผัสมันเลยตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตลอดชีวิตคือตลอดสังสารวัฏนั่นและแล้วสั่งว่าก้อนแลยานตัว ย, ยานเนี่ยยานในการต่อมายานก็เกิดต่อเนื่องไปคล้ายๆกับไฟฉายที่เราสองเห็นตรงนั้นแล้วก็เห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นเนี่ย มันก็เกิดต่อเนื่องกันเพราะเห็นต่อไป mm. ก็เลยญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตอนนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าสังสารวัตนั้นมันมีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นพระเจ้ากระลึกชาติย้อนไปอดีตเยอะแยะไปหมดเลยชาติมันเยอะชาติมันเยอะที่จริงเนี่ยถ้าเรามองถึงคำว่าชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะฮะ เราสมมติเราชาตดกสามเรื่องมาเรียงไว้มันก็เห็นชาตินี้ชาติน่าชาติก่อนเห็นไหมสมมติว่าเราพระเตมีพระมหาชนกพระจันทโกมารเรียงเป็นสามชาติเนี่ยสามชาติชาติหนึ่งก็เป็นชาติก่อนชาติหนึ่งก็เป็นชาติชาติปัจจุบันชาติหนึ่งก็เป็นชาติต่อไปเห็นไหมมันก็มีมันก็มีชาติกขทยอยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้ไอ้ชาติเนี่ยมันเกิดมาคําว่าชาติคำว่ชาติเนี่ยจะประเด็นไว้อย่างหนึ่งว่าเราที่เอาไปพูดมั่วไปหมด บางทีบอกว่าที่เราคิดเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นก็แสดงเราเกิดเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นในแต่ละวันในเกิดเยอะเป็น maya, aime, เป็นหมื่นแสนแมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะนะมันไม่ใช่ความเกิดมันไม่ใช่กรรมชาติคือเราอย่าลืมว่าทรงใช้กรรมสมบูรณ์ด้วยอัตตะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาภาษาอย่างนี้คําอย่างนี้ใช่มาความมาอย่างนี้ถ้าเราไปใช้คาอื่นมันก็สื่อสารกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ อย่าลืมว่าคําเหล่านี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเองท่านชายคนท่านเองท่านชายมาตั้งแต่ประธรรมเทศนาการแรกนะที่จริงใช้ก่อนหนะ้านั้นได้ทาไปนะชายที่พระพุทธอุทานดูฆ่าชาติปูนับปูนังนะอันนี้เป็นพุทธตานว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆการเกิดหมายถึงเกิดในกําเนิดทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าก็ผ่านมาทุกกาเนิดเหมือนกัน นะแต่ว่าไอ้สังเสรชาไม่เคยรับสั่งเล่านะเพราะว่ามันก็เป็นเชื้อไวรัสต่างๆก็คงจะไม่เกิดออกขนาดนั้นมันก็ต่ำเกินไปแต่ว่าเกิดในคันก็เคยเกิดเกิดในไข่ก็เคยเกิดนะเกิดโยอปปาริติกะก็เคยเกิดแล้วเกิดในสังเสรชาเรไม่ได้บอกไว้นะก็ก็ก็ไม่น่าจะเกิดนะไม่น่าจะเกิดาะว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่เล็กเลิศเกิน คำว่าชาติในลักษณะเหล่านี้การเกิดในกำเนิดต่างๆเนี่ยมันไม่มีแล้วอเยมันติมาอเยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าชาติเนี่ยมันมีมาเยอะเยอและชาตินี้จบเป็นชาติสุดท้ายคือการทําให้เรา ม, มองว่าทรงสแสดงว่าชาติสุดท้ายเนี่ยมั น, นจะไปอธิบายอย่างอื่นได้อีกเยอะ อธิบายอยาญาตานิพานนานพานแดนนิพพานเมืองนิพพานอะไรต่ออะไรไอ้สุขาวดีอะไรต่ออะไรมับอธิบายได้เพราะที่จริงๆมันไม่มีเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นชาติหมดเลยเป็นความเกิดหมดโอปปาติกะหมดเห็นไหมฮะถ้ามีแดนนิพพานก็แสดงพระเจ้าเป็นโอปปาติกะอาญาตานิพพานพระเจ้าต้องเป็นอุปปาติกะทีนี้พอเกิดนอย่าลืมมาแก่เจ็ตาย มันจะตามมาว่าเกิดก็ต้องแก่จะตายเพราะเกิดนี่มันเป็นสังขารมันเป็นชีวิตมันเป็นสังขารผู้สังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นหน้าตาเห็นมไหมพระเจ้าก็หลก็สู่ใจรักเหมือนเดิมอันนี้คือคือสิ่งที่เรามองหายไปเลยจากคํำสั้นๆตรงนี้จากคํำสั้นๆตรงนี้มันจะมองไปที่อื่นได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ ทรงยืนยันว่าถ้ายานสามที่เกิดขึ้นใ น, ในเอเตสสีของพระองค์ไม่สมบูรณ์พระองค์ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มีอย่างเดียวแต่นั้นเองมีพร้อมกับสองอย่างไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยานสามไม่พร้อมด้วยเป็นไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ด้านเองถ้ายานสามไม่สมบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เพราะทรงเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความพระาะยานสามสมบูรณ์ หมายความไงคล้ายๆกับมรรคกับนิโรธเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเห็นไหมมรรคกับนิโรธต้องอยู่ด้วยกันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทุกข์กับสมุทัยในขณะนั้นไม่มีแต่ถ้าบอกว่ามีทุกข์ก็ต้องมีสมุทยัยหมายความว่าต้องไม่มีนิโรธเห็นไหมหมายความว่าต้องไม่มีนิโรธก็เนี่ยคล้ายๆกับร้อนก็นไม่มีเย็นเย็นก็ไม่มีร้อนเนี่ยมันเป็นสูตรธรรมดาเป็นสูตรธรรมดาที่เราสามารถจะมองต่อไปได้เรื่อยๆ เวลาเราเราไปไปอธิบายเนี่ยเราไปหยิบประจุดในจุดหนึ่งไม่ได้มันไม่ต้องมองทั้งระบบของเขาว่าระบบของเขานี่จะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะเชื่อมโยงไปเรื่อยๆว่าเพราะงั้นเพื่อประกอบการพิจารณาว่าพุทธเจ้าอยู่ในตรงใดตรงหนึ่งไหมในรูปของร่างกายนะรูปประคุณนะั้นแน่นอนแผ่ไปเยอะแยะไปหมดเลยประคุณพระเจ้าปรากฏทุกแห่ง โดยเฉพาะใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยจะปรากฏพระคุณชัดเจมอันนี้ไม่ได้แปลกพระคุณเนี่ยเวลาเราราราประกาศเป็นอุบาสกบาศิกขาที่เราขอก็เรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามากาเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยดูกัมแปลตรงเอซ่าหังพันเตสุจิระปรินิปูตัมปิตังภควันตังสนังกัามิธรรมันจะปิกุสังกันจัอุบาสกังมังสังโคทาเรตุอัจจตาเกปานุเปตังสนังกัตังอันเนี่ยนะ แม้สเสด็จประนิพพานนานแล้วแม้สเสด็จประนิพพานยานานแล้วยังเหลืออยู่แต่พระคุณพร้อมด้วยพระธรรมและพระสง์เห็นไหมพระเจ้าเหลืออยู่เฉพาะพระคุณไม่ได้เหลือโดยรูปร่างกายพระพระผเจ้าจริงๆเป็นธรรมะเป็นธรรมะอย่างที่ทรงแสดงแก่พระวักกะลิวักกะลิพิฆุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่ถาคตเป็นของเปื่อยเน่า พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นร่างกายเจ้ชายสิทถะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นด้วยวิญญาณธาตุนะตัวดินน้ําลมไฟอากาศที่ประกอบเป็นร่างเจ้ชายสิทตถะก็เป็นโลกียธรรมร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นจึงเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็คือธรรมก็คือธรรมะ เพราะงั้นการที่เราไปยึดติดว่าพระพุทธเจ้าต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้ามาพบไปตักบาตพระพุทธเจ้าอะไรมั่วแล้วมันก็มั่วกันหมดเลยแต่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หลักอะ่ะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันของท่านอย่างนี้แล้วเราต้องมองเทียบตรงอื่นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพบอย่าลือมณติดาณิปุณับพพโว้วยอายามันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตติดานิปุณับพโว้พบคือสถานที่จะเกิด นติดานนี้ปุระป่ะตั้งแต่บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็ะสะแสดงว่าพบก่อนๆมีแต่พบนี้เป็นพบสุดท้ายแล้วเพราะชาติเป็นชาติสุดท้ายชาติกับพบในมันอันเดียวกันเห็นไหมเหมือนกับการละเกษตระเทส ะ, ะกับการละมันจะอยู่ติดด้วยกันเวลากับสถานที่เวลากับสถานที่แต่ต้องบอกว่าที่ไหนเวลาอะไรเห็นไหมบอกว่าที่ไหนเวลาอะไฝนตก ที่ไหนไเวลาอะไรบริเวณนี้ฝนตกพูดอย่างนั้นไม่ได้เวลานะได้แต่ที่ที่ไหนจะแสดงว่าถ้าพูดคุณพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าตกหมดทั่วประเทศเทั่วโลกเลยเวลานั้นสถานที่นั้นฝนกำลังตกที่อื่นที่อื่นไม่ไเกี่ยวนะมันมันก็ยืนยันเฉพาะจุดว่าอาการอย่างนี้ปรากฏในเวลานี้แต่ปรากฏที่ไหนเราบอกว่าเวลานี้ฝนตก ท, ที่ไหนก็แสดงว่าทั่วโลก หรือแม่ก็เฉพาะที่ที่เขาอยู่เป็นคำเป็นคาที่สื่อสารไม่ชัดเจนไม่กระจา่างเพราะงั้นตรงนี้จะจ ะ, จะชัดเจนในตัวเขาเองญาณันจกปนามีดัศนงกายยานุระยญาณญาณเนเกิดผุดขึ้นไปในใจของเราว่าอะยมันติมาญาติชาตินี้ของพระพุทธเจ้านะฮะเจ้าพ่อของพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายแล้ว หมายความว่าภาษาเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าสแสดงว่าพระเจ้าได้ผ่านการเกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่ ว, ว่าครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อตอนสัตรู้นะครั้งสุดท้ายเป็นตอนสัตรู้นัตถิดานี้ปุญญภพพบใหม่ไม่ได้มีเราอย่าลืมว่าพบเนี่ยมันมีสามพบมีสี่พบนะสามพบนะฮะสามพบจริงๆมันมีสมพบแต่ภูมิมันมีอยู่สี่ภูมิ ใช่ไหมภูมิี้มีอยู่4ภูมิคือภูมิมันเป็นภู ม, ม, ม, ม, มิของจิตเป็นชั้นของจิตชั้นของจิตชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดกามาวจรภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในกามีหยาบกลางละเอียดนะแบ่งเป็นแบ่งเป็นชั้นชีวิตเห็นไหมอบายสอบายสีก็มีหยาบกลางละเอียดของมันมนุษย์หนึ่งก็หยาบกลางละเอียดของมันสวรรค์6ก็คือหยาบกลางละเอียดของมันโดนละอวันนี้เป็นกามาวัจรภูมิ เขาบังเกิดในกามาวัาจรอภพภพเหล่านี้มีคู่ครองมีครอบครัวนะไม่ใบ่จะเป็นสัตว์สิงสาราสัตว์อะไรแต่อะไก็ตามมีคู่ครองมีครอบครัวอีกพบหนึ่งก็ได้รู ป, ปรพบเป็นผลมาจากการมาเป็นเพียนทางจิตเห็นไหมเป็นผลระดับสมาธิที่ได้ฌานนะไม่ใช่สมาธิทั่วไปสมาธิที่คนได้ฌานแล้วเนะี่ยจะอยู <c oughs> ่ในรูปประพบ หมายความม่าภูมิจิตท่านเองท่านก็อยู่ในรูปเห็นไหมท่านก็อยู่ในรูปท่านก็พอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอยู่แต่มันมีความประณีตแต่นั้นเองพวกนี้ขึ้นไปได้ถึงพรมถึงพระนารมีเลยนะแล้วก็อารูปปพบพบที่ไม่มีรูปก็มีแต่กลุ่มจิตที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณเมื่อวานก็บรรยายอบรมพระใหม่เรื่องหมาสมัยยสูตร ในที่นั้นท่านบอกว่าคนที่มาประชุมเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนั้นยกเว้นอสัญญีสัตว์กับอรูปภพุ่มที่ไม่ได้มานอนั้นมาหมดมาเฝ้ากันเพราะว่าพระพุทธเจ้าประชุมใหญ่ที่พระอรหันห้าร้อรูปเป็นกษัตริย์ล้วนๆเป็นคนในวรรณะกษัตริย์ล้วนๆตรงนั้นเป็นพระอาหารหันที่เป็นกษัตริย์ล้วนๆ มีทั้งหมด501รูปมันมันยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่มีหรอกมันประชุมไม่ได้หรอกจะเอาอาะไรเอกษัตริย์มาจากไหนมากมายแต่ว่าพระพุทธเจ้าประชุมครั้งนั้นถือว่าเป็นมหาสมัยประชุมใหญ่เป็นข้อที่น่าสังเกตท่านบอกอาสัญยีสัตว์ไม่มากับอรุ ป, ปรพรมไม่มาเลยเมื่อวางอธิบายไปจนเกือบทุ่มจริงก็เลิก ก, ก็เลิกกหโมงยี่สนยอธิบายยังไงไม่รู้ เ, รเลย ในกล้ามอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเพื่อนก็กลับกันหมดแล้วไฟก็ดับมืดไปแล้วยังอยู่ที่ห้องรอห้องเดียว <c oughs> ไม่ข่าเพราะว่าเราต้องต้องอธิบายดูว่าทําไมจึงไม่มาเพราะาอารูปพรหมไม่มีตัวตนอรูปพรหมไม่มีตัวตนอสัญญาสัตตานั้นมันก็เป็นพรหมลูกฟักเฉยๆมันก็ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรมันมาไม่ได้อยู่แล้วมันก็วางเฉยๆมันก็รออยู่เฉยๆธรรมดาธรรมดา นี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าพอเราไปมองที่อื่นตรงนี้ปรากฏว่าอารูปภูมิไม่มีโล ก, กุตรภูมิเนี่ยไม่มีไม่ใช่โล ก, กุตรภพไม่มีนะฮะมีแต่โล ก, กุตระภูมิเห็นไหมกามาภพไปบังกรรมภูมิบังเกิดในกามาภพรูปภูมิบังเกิดในรูปภพอารูปภูมิบังเกิดในรูปภพโล ก, กุตระภูมิไปไหนไม่มีภพเห็นไหมฮะชัดเจนว่าไม่มีที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีที่เกิดไม่มีสถานที่เกิด แล้วไม่มีผู้เกิดเพราะไม่มีตัวตนให้เกิดการเกิดมันต้องมีตัวตนของมันนะระยะเรื่อมขอการเกิดมันมาจากอวิชาตัญหาอาวิชาตัญหาอุปทานาเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นบิน ญ, ญาณที่พระพุทธเจ้าละหมดแล้วอ่ะคือคือคือถ้าเราอย่ามั่วมันก็ไม่มั่วเราไปมั่วกันเองเราไปมั่วกัน กันจนวุ่นไปหมดเลยแล้วจนจนถึงท้ายเราไปดูที่ตรงอื่นอีกสัตาวาสตาวาดเก้านะฮะสตาวาสนี่ที่สตาวาเราที่อยู่ของสัตว์มีเก้าประการสัตาวาสสุดท้ายข้อข้อที่ 9, เก้าเรียกวเนวสัญญาณานะสัญญาจตนาภคือพวกอรู ป, ปรภูมิไม่ได้มีเลยไม่ได้มีที่อยู่ของพวกพระอระหันต์มีวิ ญ, ญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณเจ็ด เจ็ดนะฮะที่ตั้งกามวิน ญ, ญาก็ไม่ได้ปรากฏไม่ได้ปรากฏภูมิของวิญญาณที่เป็นพระอาาระหันต์ไม่มีที่ไหนเลยเพราะงั้นตรงนี้จึงแสดงอะไรอีกเยอะแยะไปหมดคำสองคาเลยนะฮะอายมันติบาญตินัทธิดานิปุนาภวุอธิบายนิพพานได้ชัดเจนว่านิพพานหลังจากว่าจิตหมดจักรีเลสและเพลิงทุกข์แล้วอย่าลืมว่าทุกขน์นี่ชาติเป็นทุกข์เห็นไหมชาติหนึ่งคือทุกข์ชาติปีตุขามาราปีตุขามานำไปตุกขังธาต พระพุทธเจ้าจะรู้แล้วต้องไปเกิดอีกก็แสดงพระเจ้าละดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้ไอ้เกิดนี่มันมาจากกิเลสโอ้มันก็มั่วเลยทีนี้มันก็มหมุนก้มมั่วเลยเห็นไหมอย่างที่เคยบอกท่านนังหลายว่าของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่าไปยุ่งท่านอย่าไปขยับกางท่านนะท่านว่ายังไงว่าอย่างนั้นเลยแล้วรับรองว่าสี่สิบ้าเล่มไม่ชนกันพไตรปดฎกเนี่ยแต่ถ้าเราไปพูดแผกเพี้ยนออกไปจากที่ทรงแสดงมันก็ชนกันวันก่อนลูกศิษ เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่นะ บ, บวชตอนนี้สนใจไปฝึกฝากรรมฐานบอกว่าเดี๋ยวนี้ยเขาจเจริญเจริญสติปัฏฐานอยากจะไปนิพพานแล้วไปนิพพานแล้วก็โทรมาปรึกษาสองครั้งแล้วนะฮะคือที่จริงก็ดีนะฮะสติปัฏฐานเนี่ยแต่เอามาเป็นห่วงว่าพวกอาจารย์สติปัฏฐานเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะสติปัฏฐานเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ มันก็มากไปกว่าอย่างอื่นมันก็ธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเราต้องเข้าใจสติปัฏฐานนี่คืออะไรเอกายโนอย่างพิกเวมขโคมมันก็เอกายโนท่างนั้นแหละกับในธรรมจักมันก็เอกายโนมโขมกันมันก็มากทั้งนั้นแหละที่ไหนที่ไหนมันก็มากทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงออกมาสรุปไว้หมดในสติปัฏฐานนนสรุปไว้หมดอริยสัจมันอยู่ที่สติปัฏฐานหมดซึ่งในธรรมจักก็หมดเห็นไหมฮธรรมจักเองก็หมด ก็มาอยู่หมดเหมือนกันที่สติปัฏฐานมีเท่าไรธรรมจักก็มีเท่ากันนั่นแหะสติปัฏฐานมีเท่าไรอนัตก็มีเท่ากันนั่นแหละนี่คือแสดงออกไปสอนให้ไปยึดถือธรรมะสูตรหนึ่งแล้วไปโจมตีธรรมะอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งแก่นนะมันก็เหมือนกับลูกฉีดนวดขาพระอาจารย์นั่นแหละอย่างที่เคาเล่าไคนหนึ่งนวดขาซ้ายคนหนึ่งนวดขาขวาก็ยึดถือขาของกูทั้งคู่เลย ไอ้คนนวดขาวขวาเกิดไปน็นนวดขาซ้ายหักไอ้คนนวดขาซ้ายกโกรธทําขาข้องกูหักเลยเป็นหักขาอาจารย์อีกข้างนั้ น, นึ่งเลยอาจารย์ขาหักหมดทั้งสองข้างอันนีค้คือไปยึดถือไปยึดถือเอาต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดอย่าไปยุ่งกับท่านน่ะไม่ใช่ว่าไปไปตัวเองนักถือแต่มาสูตรหนึ่งแล้วไปไปจมตีสูตรอื่นทุกสูตร น, นั่นคือพระพนะุทธวจนะทั้งนั้นแหละ นี่คือปัญหาว่าปรากฏว่าบอกว่าเดีย๋ยวเดี ย, เ, ดยเธอต้องนัดคุยกับสักวันนเนี่ยไม่คุยกันสักวันบอกนี่เขาเรียนนึ่งยนสิบบกนะตันพุทธทาตสอนเนี่ยยานแปดแต่นั้นเด้งบอกไม่ใช่ติทันพุทธทาต น, นะเราพุทธเจ้านะยาณอสามก็มีแปดก็มีสิบบก็มีแล้วแกบอกแกได้ยานสิบกแล้วบอกไม่ได้หรอกยานสิบบกอะถ้าได้คุณก็บรรลุนิพพานไปแล้วอันนี้คือพูดกันให้คนมันหลงหมด พู้กันในคนก็หลงก็สับสนกันหมดเลยคือต้องการจะจะจะเชื่อชูตัวเองที่อาจาเชื่อชูตัวเองให้เขานับถือตัวเองเท่านั้นเองแต่จริงๆไม่ได้นะธรรมะพระพุทธเจ้าต้องรักษาไว้ทั้งหมดเลยทุกตัวเลยต้องรักษาไว้ทั้งหมดทุกคนจะพูดต้องรักษาไว้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าไปไปไปไ ป, ไปพูดเอาเฉพาะสูตรเดียวแล้วก็โจมตีสูตรอื่นหมดสแสดงถึงความไม่เข้าใจนะมันไม่ใช่อะไรก็สแสดงว่าท่านไม่เข้าใจท่านเรียนแต่ท่านไม่เข้าใจธรรมะโดยลักษณะโดยกิจโดยรถโดยปัจจุบประทาง คุณลองสังเกตว่า ก, กายานุปัสสนาที่จริงก็คือก็คือกายคือชาติปีตุกขะคือเจราปีตุขะมนามปาีตุขังนั่นแหละคือทุกขศาสตรย์อะเวทนาเวทนาก็คือทุกขศาสตร์นั่นแหละจำไหมจิตตานุปัสสนาจิตคือพูดถึงส ม, มุทัยก็ได้ในกรณีที่กิเลสเกิดเพราะจิตมันเป็นกลางๆลางแคมานแล้วแต่อะไรมาปรุงนะก็เรียกว่าไอ้สิ่งนั้นมาปรุงจิตมีอยู่3อย่างกุศลนะกุศลก็สัพพสาธารณะคือมาความกลางๆ ก็ในในความเป็จิตมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคทำมากับเมือนกาศนั่นแหละมีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธทั้งมรรคแล้วข้างหลังถ้าก็เปสรุปเป็นอริยสัจสี่ไม่อ่านใด้ดีอ่ะสรุปตอนท้ายก็สรุปเป็นอริยสัจสี่ตอนหลังเนี่ยนี่คือคือสิ่งที่ที่เราไม่มองให้ตลอดต้องมองให้ตลอดพอมองเชื่อมโยงจากหัวถึงหางแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีโลกนิพพาน มันก็ขัดแย้งกันไปหมดเลยถ้าให้มีแดนนิพานมีอายตนะนิพา น, ม, น, า น, พานมีเมืองนิพานอะไรมันขัดแย้งกันหมดเละแล้วลตวลกลงวานิพานไม่รู้จะไปทําอะไรเห็ <sh arp> ra? นไหมนิพานเนี่ยเป็นนั่งเฉยอยู่เนีลยนั่งตากระป๋องอยู่นี่นั่งอยู่ทําอะไรครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเศรษฐกิจแย่เปลี่ยน้ำแหน่งทางยาดีขึ้นหรือเป่าก็ม่ลงมาช่วยกันหน่อยทีมันไม่ใช่อย่างงานหน้ามันไม่ใช่อย่า ง, งานั้นหรอกนี่ก็คือก็คือสิ่งที่ ยืนยันด้วยพระพุทธวจนะของพระองค์เองและอย่าลืมมายืนยันอย่างนี้พราะปัญญาวิคีเองตอนจบอนัตตลังสูตรทั้งก็ยืนยันอย่างนี้ขีนาชาติชาติสิ้นแล้วอุสิตังพรหมจรยังพรหมจรรย์จบแล้วคือการปฏิบัติทังท่านละชัวะ่วพื้นดนนี่จบแล้วกตังกริยักิจอื่นกิจกิจต่างๆที่ทําเกี่ยวกับรละกิเลสการเจริญกุศลนี่จบแล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะมันเสร็จแล้วกิจอื่นอีกทํานองเดียวกัน นะที่เกี่ยวกับการรับบามันเป็นบุญก็เสร็จแล้วนี่ก็แสดงว่าเหมือนกันมันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้ายัางไงเกิดขึ้นกับประธานทั้งหลายท่านทีนี้พอทรงแสดงตอนนี้มันก็เกิดบรรลือลั่นการบรรลือลั่นนั้นเป็นการเล่าเราต้องแยกกันเอาตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นการเล่าเป็นการเล่าเป็นปรากฏการณ์ว่าตรงนั้นมันมีพระปัญจวัคคีย์กับพระพุทธเจ้าแต่ว่า เ, เทวดาในหมื่นโลกธาตุเนี่ยเรานึกออกกนะัน นึกไปเรื่องหนึ่งว่าที่สําคัญในที่ประสูดที่สัสรู้ที่แสดงประถมเทศนานิพพานเห็นว่าสังเวชฐานสี่ตะบนตรงนี้เป็นห้นมหาสาลที่สุดเป็นงานใหญ่ของพระพุทธเจ้าศาสนาเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้สืบต่อได้หรือสืบต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าประสูดก็คือพระพุทธเจ้าประสูดส่วนพระองค์สัสรู้ก็ที่จริงก็สวนพระองค์ใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมพระองค์ก็เป็นปรปเตะกับพุทธเจ้าแต่เพราะพระองค์แสดงธรรมเนพระพุทธศาสนาจึงได้เกิด วันอสานหะบูชาทีเราพุทธวันอสานหะบูชานี่ยก็เกิดบรรลือลั่นถึงประวัติเตจ่าพระกวตาธรรมจักรเกปุมมาเดวสดามนุสสาวิษณุมันเป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปที่อิสิปัตนะมฤุกะทายวันแขวงเมืองพาราณสีในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ข้าตั้นท่านบอกว่าเทวดาทั้งหลายนั้นมาประชุมกันระดับพระธานาธิษฐาทั้งหมดแล้วเกิดปรากฏการ์ เรียกแผนดินไหวนะฮะแต่ไม่ใช่ไหวจนบ้านพังนะนก็มาเพป็นแสดงถึงบุญญาธิการให้เห็นให้รับรู้กันแล้วท่านก็บอกว่าเป็นการปฏิวัติเตจปตัปปะวตาปะวตาธรรมจัเกเป็นการปฏิวัติการปฏิวัติโลกปฏิวัติสังคมที่ใครปฏิวัติกลับไม่ได้อปฏิวัติอย่างคือปฏิวัติพริกลับไม่ได้ เราเห็นว่าแนวปฏิวัติมันมีอยู่สองหลายตอนนะหนึ่งก็คือการมาสิกาในการโยกอันตกิรามฐานโย ก, ก, โยกเป็นการพลิกกลับความเชื่อของคนสองกระแสในสมัยนั้นหมายความมาที่เธอว่าทรมานกายและบรรลุมรรคผลฉันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยปฏิเสธเลยแล้วก็เธอบอกว่าทรมานการุรลับกวามุ่นในสยก่ารมนารนกาลลุคนกวาไม่่เยปจะเขธ้เอกว่าทรมานกายและบรรลุมารคผฉันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กกเลยปฏิเเลยแล้วก็เธอบอกว่ารมกลบเลุก พลิกกลับปฏิวัติคือพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือนะเมืองไทยทีจริงไม่เคยปฏิวัตินะฮะปฏิวัติเราไม่ใช้โก้ไปเลปฏิวัติเป็นภาษาบาลีหมายความว่าพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือปฏิวัติคือหมุนกลับหมุนกลับพลิกกลับมันซ้ายอยู่ก็คือขวาเลยมันหัวอยู่ก็คือก้อยเลยมันก้อยอยู่ก็คือหัวเลยนั่นลักษณะของการพลิกกลับเป็นการพลิกกลับมาที่ใครพลิกกลับไปไม่ได้ถ้าพลิกกลับก็ผิดอ่ะพลิกกลับก็ผิด แล้วก็ทรงแสดงทางที่เป็นสายกลางแล้วก็เรื่อยมานะเราจะเห็นว่าในตรงนี้ได้แสดงถึงสภาวธรรมที่เป็นจริงที่ทรงที่ทรงทรงสัมผัสแล้วก็ทรงทรงศัตรูเพราะว่าหลักอนอัตตานี่คือหลักสมัยก่อนอัตตาก็ถูกพลิกกลับถูกพลิกกลับมาเป็นอนัตตาก็เคยบรรยายสรุปสรุปในนักวิชาการให้ฟังนะฮะมันเขียนชัดชัดที่กระดาน มาเขียนในความเขาด้านวิชาการี่เขา้าใจเลยนะพอเราเขาียนช า, า, าได้ดูเนี่ย ja. นะพอดูง่ายๆเนี่คุณดูง่ายๆพระเจ้าศัตรูเป็นงานนี้เดียวเอาก็ล้า <è S 2> เป็นเส้นกันมาสามเส้นเส้นหัวตรงหัวต้องเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเป็นวิ ช, ชาด้านหนึ่งเป็นอวิ ช, ชาด้านหนึ่งตัววิ ช, ชาเนี่ยมันฉายแสงออกมาเป็นสามแฉกแฉกหนึ่งเป็นโลกเป็นเป็ น, ป น, ปนไม่โลกไม่โกลไม่หลงไม่โลกไม่โกลไม่หลงอวิชานั้นสายออกมามันกันสามแสงเป็นเส้นดำนะออกมาเป็นโลกโกลหลง แอันนี้วิชาจะเป็นแสงนะมันพุ่งขึ้นมาความไม่โลภเป็นสลายความโลภความไม่โกรธสลายความโกรธความไม่หลงสลายความหลงตัววิชาเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับที่ปั่นไฟขึ้นมานะสร้างไฟขึ้นมาแล้วมันก็รุกเรื่อยเพิ่มปริมาณคือเรื่องแสงสว่างมันก็รุกไปเรื่อยตัวไม่โลภก็จัดความโลภตัวโกรธก็จัดความโกรธตัวหลงก็จัดความหลงพุ่งตรงไปถึงตัวอวิชาตัวอวิชาดับกลายเป็นวิชา บอกว่าตัวออมันหายไปไหนคุณรู้ไหมโม <c oughs> ตวออมไปอยู่ที่อัตตาอัตตามันกลายเป็นอนัตตาตัวออไม่ได้หายละตัวออที่อวิชชาที่มันกลายเป็นวิชามันไปอยู่ที่ตัวอนัตตาไปนอยู่ที่อัตตามันก็กลายเป็นอนัตตาคือเข้าถึงความจริงว่าจริงๆมันไม่มีตัวตนอะไรแล้วท่านก็เรียงลำดับการเรียงอยาที่บอกไว้ว่ามันเป็นการพูดของพระโบราณอาจารย์คือเล่า คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาเล่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปเล่าเองนะฮะพระพุทธเจ้าจบแล้วตรงเนี้ยพระเจ้าจบแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดขึ้นพวกภูมเิเทวดาเทวดาประจําภาค พ, พื้นทั้งหลายก็ประกาศว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมจรัดจากนั้นคนได้ยินก็ต่อต่อต่อต่อ ต, อ ต, อตอไปไปต่ท่านก็เรียงชั้นเทวดาขึ้นไปทีนี้ปัญหาว่าเรียงนี่ขี้เกียจสวดหรือขยันสวด คือถ้าขยันส่วนหนก็จะเรียงหมดเลยนะฮ <c oughs> ะพระภูิมาเทวดาประกาศไปถึงเทวดาชั้นจตุมาราชจตุมาราประกาศไปที่ชัน้นดูอ่าชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงประกาศไปที่ยามยามประกาศไปที่ดุสิตดุสิต ป, ประกาศไปนิมานีนิมานมาีก็ต่อไปปานิมิตวัสดีปานิมิตวัสดีก็ต่อไปพรหมบริสัทถึงอ น, นิจตรพรมนะฮะว่าไปเรื่อยแต่ในธรรมจักเองจริงๆในประโยคจริงๆท่านพูดแค่ปานิมิตวัสดี แล้วก็พรหมก็หมู่พรหมไปเลยเพราะถ้า น, นับพรหมอีกตั้งตั้งเท่าไหร่อะสิบหกกับยี่สิบยี่สิบดียนะยี่สิบปดี๋ยถ น, นับพรหมอีกก็กลายเป็นอีกยี่สิบชั้นก็สวดเส้นเหนื่อยเลยแหลนะนะไม่ไม่ถึงแค่ตายหรอกแต่ก็เหนื่อยก็ น, นี่ก็คือก็คือพรหมเนี่ยก็แสดงให้เห็นยังไงลนะว่าแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าศัทธรู้ในหมู่เทวดามารพรหมเห็นไหมหมายความว่าคนเรานิยมรับการศัสธรู้ของพพุทธเจ้า แล้วก็พอระพุทธเจ้าแสดงธรรมในจูดีอกดีใจกันใหญ่หมายความเป็ไงหมายความว่าเขานับถือพระพุทธเจ้าแต่ก็เกลียดพระพุทธเจ้าเขาเขาเขาเขาไม่ประกาศให้เราก็ด่าตายเลยก็จะลิศยาเห็นไหมว่าเทวดามารผนุมไม่ลิศยาต่อพระพุทธเจ้าแสดงงันโมทนาชื่นชมดีอกดีใจกันเป็นกันใหญ่ประกาศตะโกนกูก้องร้องกันไปทั่วจักรวาลจนพูดพูดแล้วก็กลายเป็นพวจักรวาลไปได้ นั้นเป็นภาพที่เราได้เห็นแล้วก็ย้อนกลับมาสู่คํำตรงไหนนะคำมัธยฐาเทวมนุษย์น่ะเห็นไหมโอ้นี่พระพุทธเจ้าเป็นาศสาสตราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆตั้งแต่วันสัสรุแล้วเทศพวกเทวดาน้องฟังก่อนเรานางเยอะนะพวกนี้เขาฟังก่อนเราตนน่เดี๋ยวก็ดีอกดีใจก็ประกาศข่าวเขาบอกข่าวกันในหมู่พวกของเขาทุกคนชื่นชมทุกคนชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้านะ แต่ทีนี้เราก็ดูตรงนี้ว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของคนว่าในขณะที่พระพุทธเจา้าพวกพวกพวกพวกูพกพกมิเทวดาเทวดาเป็นต้นชื่นช ม, มนะชื่นชมมากเลยแต่ในขณะเดียวกันพวกไอ้นักบวชตั้งหลายพวกจิตต่าทั้งหลายโอ้ยริษยาพระเจ้าทิษยาพระเจ้าใหญ่แล้วก็กล่าวหาใส่ไรตามก่อควรตลอดระยะเวลา45ปีมันเป็นวัดอะไรว่าเวลาคนทําคนได้ดีก็ทําทดีเนี่ยคนดีเขาจะยกยก่อง เขาจะสนับสนุนแต่พอดีมันเกิดทํากลางคนเลวด้วยนะในตรงนั้นนะคนพวกนี้จะถูกทําลายคนดีนี่จะถูกคนชั่วทําลายเป็นธรรมชาติของสังคมอย่างหนึ่งแล้วเราก็ดูเรื่อยๆมานะดูเรื่อยๆมานแะม้แต่ว่าอับราฮัมลินคอนก็นกนดีมาแต่มาคันตีก็ดีเห็นไหมฮะคนคนราคาไม่กี่สลึงดอกไปฆ่าเขาคนโรนนี้เป็นคนที่คนเป็นนั้นมากในชื่นชม แต่อย่าลืมว่าไม่มีใครที่จะรับการชื่นชมทั้งหมดปุถเจ้าเองก็ยังถูกเบียดเบียนทั้งๆที่มือโลกรธาตุดีใจหมดแล้วนะแต่โลกรธาตุเดียวนี่โกวกนในข้างล่างเนี่ยเห็นไหมพวกโลกมนุษย์ในกันนี่เองปรากฏว่าเกิดโกโกนขึ้นมาคนอื่นไม่ได้โกโกนเว้นไวแต่พญามารว่าโสติมานคนเดียวที่โกโกนเนคนอื่นก็ไม่ได้ก่อกวนก็ชื่นชมยินดี แต่ว่ามนุษย์เรากลับกลับไม่ให้กันดีเป็นภาพอะไรอีกเยอะที่เราจะมองต่อไปนะฮะเรามองดูถึงถึ ง, ถ, งถึงบ้านเมืองเรานะีฮะอยู่สภาพแต่เรเรียกว่าใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีเอามาอมามองมานานะแล้วว่าบ้านเมืองเราเป็นปนัญหาเรื่องริษยาในมันยกเยอะเรื่อยไม่ได้ใครโปรขึ้นมาแม่พอด่าก่อนทุงด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครก็ตามดาแต่นั้นเลยกูนําหนูเนะี่ยด่าก็เช้ า, ชาด่าเย็ น, นะ พอเขาลาออกโอ้ดีใจเชียร์กันใหญ่เลยนี่มันอะไรของคุณเนี่ยมันอะไรของคุณคุณหมายความว่าอย่างไงนี่คือลักษณะของของสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์มันมันแทนที่จะมองโดยเหตุโดยผลว่าเออท่านเหล่านี้เกิดมาหน้าเจ้าโลกได้อาศัยเขาก็นะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับสังคมชื่นชมยินดีกับเขาเราทําไม่ได้อย่างเขาหรอกนะเราก็รหมัานาเขา แต่ว่าจะไม่อนโมทนาเพราะผ้าของเทวดานี่ค่อนข้างชัดนะแต่ทําไมท่านอนโมทนามราต้องมองว่าทำไมท่านอนโมทนาเพราะใจขอ ง, อง ท, ท่า น, น, นาใจของท่านสูงพอที่จะยอมรับความดีของใครก็คือความดีในความดีเหล่านั้นท่านทําไม่ได้อย่างนั้นแต่เมื่อคนอื่นทําท่านก็อนโมทนาสาธุแล้วก็ประกาศให้รับรู้กันว่าพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกอย่างนั้นอย่างนั้นก็วากันไปเทวดาต่างหลายก็ชื่นชม ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นเครื่องมือเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์สมัยนั้นมันนับถือพรหมเห็นไหมพระพรหมมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยไอ้ลูกศิษย์มาแล้วไอ้ตัวใหญ่มาแล้วลูกน้องมันก็มาเพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากนะที่จริงพระเจ้าเทศเนี่ยพระเจ้าเทศพระองค์เป็นสัพพันญูอย่างหนึ่งแล้วก็ฐานทาสังคมเนี่ยฐานทาสังคมก็ช่วยเยอะจะยเยอะทําให้มองปัญหาตะลุกปลุก ป, ปรงไปหมด แล้วก็พวกที่ที่ก่อกวนที่รทิษยาอะไรต่ออะไรบางก็แก้ไขแก้ไขไปได้นะฮะแก้ไขไปได้เป็นภาพเป็นเหตุการณ์ในการต่อมาบางทีคนที่เขาขยันสวดเนานับหมดเลยแต่ว่าประโยคเหมือนกันนะฮะประโยคเหมือนกันตถทิงสิาเดวะซาตถาภูมิซาเวสุดดวสงคตถาทิงสานางเดวานางสัต ด, ดังสุตตวะก็จะขึ้นอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนกัน ต, ตลอดประโยคจะเหมือนกันเราจําชื่อสวรรค์ได้แต่และชั้นเรียงได้เราสวดได้แลยเรา จำเพียงสองทันธานเองเราจะสวดได้ไปตลอดเลยเพราะจริงๆความมันจะเกินกันทั้งหมดทีนี้ในตอนสุดท้ายของพระธรรมเทศนาอิติหะเตนะคเนเตนะโมเตนะอะไรว่าไปเรื่อยๆน ะ, ะในตอนสุดท้ายจบพระธรรมเทศนาเนี่ยพระภิสุ ป, ปันุคีก็ชื่นชมมากชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนาของพระเจ้ามากก็าเรียกอัตมนาเตปิคู่คือ การชื่นชมยินดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพระโกนธัญญาพระโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยดวด UA, ได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมาจากักรสุอันปราศจากธุลีนะธรรมาจักรสุอันปราศจากธุลีเหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างที่ปราศจากความมืดธรรมาจากักรุปราศจากธุลีเป็นการยืนยันสองครั้งที่จึงยืนยันหรือไม่ยืน ย, นยันก็ได้นะ ลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่ายัางยังในมงคลลสูตรนึกออกไหไอคําสุดท้ายประโยคสุดท้ายอ่ะพุทธสโลกธรรมเมหิพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสนกรรมปติอโศกังวิดชังเขมังเอตมังกัลมุตตังพุทธสโลกธรรมเมหิเป็นจิตของพระอรหันต์นะนะจิตแม้กระทบกับโลกกระทำทั้งหน้าปราถนาแล ะ, ะ ไ, มไม่ปรารถนาก็ไม่หวั่นไหวพุทธโต จิตตังยัดสาน ก, กรรมปฏิจิตมันไม่หวั่นไหวอโศกกลางไม่โศกทําไมไม่หวั่นไหวไม่โศกเห็นไหมอันนั้นคืออาการที่ปรากฏเพราะพระองค์วิเดชังคือไม่มีกิเลสไม่มีวิเดชังคือไม่มีกิเลสภายในใจเขมังใจท่านเกษมตลอดระยะเวลาเลยเห็นไหมแสดงลักษณะของพระอรหันต์สองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะที่ประกระทบะอารมณ์คือไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่เศร้าโศก ถามว่าทำไมจึงไม่หวั่นไหวไม่ทสสุกขเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสนะเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีจิตใจมีความกระเสมตรงนี้ก็จะอธิบายลักษณะนั้นว่าหมายความว่าได้ธรรมะจากสุขที่ปราศจากทุลีหมายความว่าธรรมะจักรสุตัวนี้มันขจัดทุลีคือกิเลสแล้วทุลีตัวนี้คืออะไรทุลีตรงนี้ท่านพูดถึงคือปโสรดบันเนี่ยพวกนี้ก็เรียกปรโสรดบันนะ เราสามารถจะพูดได้สามสี่เรื่องซึ่งหมายความเหมือนกันแต่จะพูดตรงไหนก็ได้พระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถามว่าศีลสมบูรณ์คือศีลอะไรศีลห้านะฮะเห็นไหมนางวิสาขามีลูกทั้ง20่สิบคนไม่ได้รักษาศีลแปดนะศีลห้านะศีลห้าสมบูรณ์แต่นั้นเองพระโสดาบันนะไม่ใช่ศีลสองรอเจ็อะไรศีลศีลห้าแต่นั้นเองศีลที่จริงศีลสมสถานะของท่าน กันแล้วแต่ใครนะแต่ว่าที่จริงคนเริ่ ม, เ ร, มเริ่มนับปัจจัยสี่นะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนั่นคือผู้ได้แนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งบอกว่าพระโสะดาบันนั้นประกอบด้วยโสดาปัฏิยังคะสี่ประการคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจที่ขาดสีประการนี้ก็อีกสายหนึ่งตัวนี้ก็คือปราดจักรทุลีเห็นไหมปราดจักรทุลีคือทุลีคือความไม่เชื่อ คือความเครือบแคลงสงสัยคือความโลภคือความโกรธอย่างหยาบๆนะความโลภความโกรธอย่างหยาบๆประการที่สพูดถึงละสังโยชนี่ละสังโยชตละตัวทุลีสังโยชน์ก็หมายถึงกิเลสที่จริงประเภทโมหะเป็นกิเลสประเภทโมหะคือเขาว่านะฮะเขาไม่รู้เห็นนามความเป็นปจริงสประการแสประการคือสักกายทิทิความเห็นว่ามีตัวมีตน มีเรามีเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาทันลาได้สนะันละความยึดถือในแนวนั้นได้ท่านไม่มีพักไม่มีพวกท่านมองเป็นสัพเพสตาได้นะพ ร, ร, ระโสดาบันเนี่ยแล้วก็อย่าลืมมาตรงนี้เป็นพวกโมหะพวกราคะอย่างลาไม่ได้นะพวกราคาอา ะ, ราะอย่างละไม่ได้พวกโทสะอย่างละไม่ได้แล้วก็วิจิกิจฉาเป็นโมหะเหมือนกันเป็นความหลงเหมือนกัน เป็นความหลงประเภทหยาบนะมันไม่ใช่หมดแล้วนะมันไม่ใช่โอ้พลวิจิการฉาแล้วหมดแล้วไม่ใช่เป็นความวิจิการฉาเป็นความเป็นความหลงระดับหยาบหยาบเห็นไหมฮะเดินมาถึงสองข้างอซดีกว่าดีเห็นไหมวิจิกิรฉาแล้วหยากหยาบอันี้กินได้หรือไม่ได้เห็นไหมวิจิการฉาแล้วอนี้ใครวิจิการฉาแล้ววิจิการฉามันเป็นมันเป็นโมหะหยาบหยาเป็นโมหะหยาบหยาแล้วสมมติว่าเราถามว่าเป็นใครเขาบอกว่านายกนายขอ มาจากไหนพ่อจะไงพ่อชื่ออะไรนามสกูลอะไรอายุเท่าไหรทางานอะไรโจทย์ที่ไหางงา โ, โอ้ยังอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยเห็นไมันก็แก้ไปเรื่อยๆแล้วผลท้ยก็ตอบไม่หมดหรอกตอบตอไม่หมดหรอกเพราะมันมันมันมันเป็นความคล่องใจหยาบๆไปเรื่อยๆเลยเราจะถามต่อไปเรื่อยๆนะถามต่อไปเรื่อยๆแล้วผลท้ยมันก็มันก็ไม่ชัดเจนอย่นั้นแหละนั่นคือลักษณะของวิจิกิจฉาเพราะงั้นท่านจะพูดระดับวิจิติจฉาว่าตันละ ระดับวิจีกิจานั้แล้วก็รรศีลรัปตารามาสการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรแต่อะไร ต, ะะไร ต, ต่างๆเนี่ยลักษณะของศีลรัปตารามาสเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะตามปกติสารโลกไม่มีรอดพน้นศีลรัปตารามาสจะเก่งเลยจะคุยโม้เลยดอกเตอร์ด็อกแตะอะไรแต่อะไรต่างๆคุยเลยไม่มีใครหรอกที่รอดพ้นไปได้เนี่ยฮะแต่เพียงแต่ว่าไปยึด ต, ติดในอะไรยึด ต, ติดในความเห็นตัวเองทฤษฎีตัวเองก็คือศีลรัปตารามาส เห็นไนะยึดยึดติดมันต้องยุบหนอเท่านั้นยุบหนอเฝาหนอเท่านั้นสัมมาอารหังเท่านั้นเฝ้านาพุทโธเท่านั้นมันก็เป็นสีลับตาประมาทหมายความว่าเป็นลักษณะยุึดติดอย่างหนึ่งแล้วปฏิเสธอย่างอื่นเห็นไหมฮะปฏิเสธอย่างอื่นไปทางนี้เท่านั้นก็หมายความทางอื่นออกไปปฏิเสธหแต่ที่จริงก็ไปทางอื่นก็ได้ก็ไปทางอื่นก็ได้ก็แสดงว่าแนวตรงนี้คือศีลับตาระมาทมันจะเกิดความหลง ยุดติดแล้วจะเกิดโทษะในเมื่อคนอื่นคัดค้านแล้วจะเกิดโลภะ ค, คืออยากให้คนอื่นเชื่ออย่างที่เราเชื่อเห็นไหมฮะเราเชื่ออย่างเงี้ยคุณต้องเชื่ออย่างที่ฉันอเฮ้ยนี้ฉันเชื่อใครค้าดโกรธใครเห็นตามดีใจเห็นไหมดีใจมันบุบับบูบับบูบับเพราะงั้นมันเป็นอาการของโมฆะคือจะมองจะมองผลข้างเคียงเหมือนเหมือนกนรักษาโรคเนี่ยต้องมองผลข้างเคียงด้วย ตามปกติเราไม่ค่อยพูดถึงผลข้างเคียงแล้วเราก็หลงอยู่งั้นเองผลข้างเคียงต้องดูผลข้างเคียงมันด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอะไรเห็นไหมว่าต้องเอาอย่างนี้สัมมาระหังพอเขาบอกโอ้คนอื่นก็นั่งนะเขาบาวนาพุโทโธไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องเอาพระพุทธเจ้าไปไหว้ที่เท้ายัางไง <c oughs> ไม่ไหว้ที่เท้าสักหน่อยนึ่งอันนีคค้คือเราจะเห็นว่ามันก็เละเทะปุรุทากเกละเทะเลยดังนั้นพระโสดาบันทันละตรง น, นี้ได้ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านพูดถึงปัญญาใช้คำคำเดียวว่าทิฐิสมปัณโนเแปลว่าสมบูรณ์ในทิฏฐิแล้วก็สถานภาพรนโธิสามันอะไรนะฮะไม่ทำบาป ท, ทำกรรมระดับที่เนี้ยตั้งแต่ศีห้าขึ้นไปเนี่ยจะไม่ผิดระดับนั้นนะแต่หมายความว่าถ้าละเมดละไมัเนี่ยอาจจะผิดไม่ใช่ว่าโอสมบูรณ์ทำให้ท่านมองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยภาษาที่ท เราคุค้นๆประสมควรสิ่งใดยังกินจีสมุดอยธรรมังสับบันตางนิโรธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความไปอยยังไงหมายความว่ามองเห็นกระบวนการในจัตร์เป็นกระบวนการของเหตุผลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิด วันก่อนเอามายัางชอบใจเจอคล่ากฟังเลยอย่างว่ามีผู้หญิงก็โทรมาถามเรื่องอิทับปัญญยตาอุถามสําคัญสามที่เดียวถามอิทับปัญญายตาเลยอาตมานั่งอยู่ก็าถามพระนักศึตสาพระนักอุตสาห์ขอส่งให้โทรสอบถามตอบเอามาบอกว่าแปลว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้มันทยอยกันเป็นครื่นมันเหมือนกับพ่อแม่เป็นเหตุให้เกิดเราเราเป็นเหตุให้เกิดลูก แล้วลูกนี่แหละเป็นเหตุให้พ่อเราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพ่อแม่เราเป็นปู่เป็นตาแก่ Again, ไม่มีสิทธิ์เป็นปู่ตายาายได้นะถ้าเราไม่มีลูกอะเห็นไหมเห็นไหมสำคัญว่าเป็นเหตุปัจจัยว่าคุณเป็นตาเป็นปู่ตายญายายได้เพราะเพราะว่าลูกคุณมีลูกเห็นไหมเนี่ยสิ่งเป็นปัจจัยของการอะไกันว่าการเป็นของเรามันไปยึดโยงกับคนอื่นไปเกี่ยวข้องคนอื่นอธิบายสามจังหวะให้เข้าใจนะขอบใจด้ ได้แล้วก็จำได้แสดงเป็นนักวิชาการกุงติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะฮะจำประเด็นไม่ได้เพราะงั้นปฏิจจสมบัติที่จริงชีวิตเรามันเป็นปฏิจจสมบัทิอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นปจัจจัยเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัเกิดสิ่งนี้ลมพัดมาเกิดพายุใต้คูนเกิดพ้นตกเกิดแผ่นดินไหวเกิดรถติดอะไรต่างๆที่มันเป็นปฏิจจสมบัติอยู่แล้วรามองได้เชื่อมโยงกันได้นะครสงนี้รถไม่เคยติดปั๊บมันติดเราต้องรู้เกิดปัญหาขา้างหน้า ไม่รู้ว่ารถชนเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรไม่รู้แต่มันต้องเกิดปัญหาหนักขนานาี้เพราะตามปกติตรงนี้ไม่มีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอกแต่รถมันติดมาเป็นแถวเราก็เป็นกระบวนหนึ่งในการมารถติดอยู่ด้วยแต่เราก็มองกลับไปหาสาเหตุได้สิ่งทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเห็นไหมดีก็ตามไม่ดีก็ตามกลางๆ ก, ก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับ เป็นการมองด้วยความไม่ไปยึดมั่นถรือมั่นในอะไรเขาด่าประเดี๋ยวก็เลิกเองอ ะ, ะเดี๋ยวก็เลิกเองเนะี่ยไม่เหนื่อยนะเขสรรเสริญประเดี๋ยวก็หายไปเองเห็นไหมจริงๆมันมันสิ่งทั้งหลายมันมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเฉยๆเป็นกระแสอารมณ์กระแสสังคมบางทีเรื่องไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันก็สร้างกระแสกันไปเรื่อยๆถ้าเรากระโจนไปสู่กระแสมันเราก็มีปัญหาการกระแสตรงนั้น ถ้าเราดูแบบดูหนังการ์ตูนมันก็สนุกไปนะก็ดูหนังการ์ตูนได้วยเฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่กัการมองอย่างนี้คือมองสรุปให้เข้าใจกระบวนการของสิ่งต่างๆอย่าลืมว่าทุกเองนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในส่วนมันก็ตับไปอกิเลสเองที่จริงมันก็ขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็ดับไปได้เห็นไหมมันก็ดับไปได้มรรคเองเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมรรคดับได้เสื่มได้เห็นไหมสีเก็เสริมได้สมาธิเราก็เสริมได้ปัญญาเราก็เสริมได้ เป็นว่าแต่นิพพานนิพพานก็ไม่เสื่อมเพราะว่านิพพานมันไม่เกิดมาจากเหตุปัจจัยนะนิพพานนั้นเป็นสิ่งเขาเรียกวิสังขารคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งมันเป็นอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเป็นสภาะวะอย่างเดียวแล้วไม่ได้กินพื้นที่อะไรนะไม่ได้กินพื้นที่ที่จริงมันเป็นอาการของจิตลองนึกดูว่าทุกคนมองไปที่ตัวลําโพงตรงนี้ไมโครโฟนตนี้นะมันก็ไม่ชนกันไม่ได้กินพื้นที่ นิพพานจริงก็เรียกเป็นวิสังขารสิร่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดรุนมีความดับไปเป็นธรรมดาทําใจยอมรับความจริงของสิ่งนั้นนั้นก็คือหลักอริยสีสื่อสารภาษาอริยสัจอีกวิธีหนึ่งมันเกิดสรุปเกิดบทรสรุปเหมือนกันที่เกิดแก่พระสารนบุตรเห็นไหมฮะที่จริงประโยคเดียวกันแต่ว่าพามันใช้ต่างกัน ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถ า, าคตเจ้าทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสัมเนมีปกติจัดอย่างนี้สองมัทัตที่เกิดเป็นธรรมจัสมุมกันสองมทัตนั้นหมายความไงธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ พระตาข้าพรเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆเหตุธรรมนั้นหลายเกิดแต่เหตุหรืมันเป็นอย่างนั้นมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นก็มันอย่างนั้นแหละมันเป็นก็มันอย่างนั้นเป็นธรรมมัทธิตตามันตั้งอยู่ตามธรรมของมันเป็นธรรมนิยามาตามันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติมันอาจจะอยู่ในอุตุนิยามันอาจจะดูอากาศอะไรแต่ไรเข้าช่วยแต่สรุปว่ามันเป็นก็มันอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสรุปแล้วก็ทรงแสดง พระเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระหมาสำคัาอีกปกติตัดอย่างนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงแสดงเหตุที่ให้เกิดผลคือทุกขทรงแสดงเหตุที่ให้เกิดผลคือนิโรธหมายความว่าไอ้ทุกขที่เราไม่ชอบเนี่ยมันมาจากเหตุคือสมุทัยคือกิเลสถ้าเธอไม่ต้องการทุกขเธอก็ต้องดับที่กิเลสเมื่อดับที่กิเลสมันก็กลายเป็นนิโรธนิโรตก็คือความดับของความทุกข์ ท่านพูดว่าดับทุกที่ยิงดับกิเลสนะสังเกตนะจะยิงดับกิเลสแต่มพูดดับกิเลสกิเลสก็ใจยากอ่ะรู้หมายความมันยังไงนะมียงยงนึกพวกมหาปรียรุ่น้ององค์หนึ่งก็ได้เจ็ประโยคน์้ันะคุยธรรมะกันยบอกตายนี่ลุงพี่ผมยังนึกว่าสเลสได้กิเลสนี่แกเรียนมัยังไงมันอ่านเท่ากิเลสกิเลสจะเรื่อยๆนะกิเลสเอ๊ะมันอะไรกิเลสพูดไปพูมานวกิเลสเป็นสเลสไป้ เพระว่าเวลาพูดมันสื่อสารทํยังไาเข้าใจว่าทุกขันนิโรธไม่ใช่ทุกขะสมุทัยนะทุกขันนิโรธแทนที่จะดับสมุทัยว่าดับทุกมันน่าจะเรียกทุกขะสมุทัยไม่ได้เรียกเรียกว่าทุกขนนิโรธนะทุกขะสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกอันนี้อันนี้ใช่นะอันนี้ใช่อันนี้อันนี้ชัดเจนแต่ว่าทุกขันนิโรธแล้วที่จริงแม่นั้น ไม่ได้เรียกตัวจริงๆมันนะฮะเรียกตัวอาการที่ปรากฏมันมันทุกข์กันโรดแปลว่าความดับดับทุกข์หรือทุกข์กโรธคาเมนีปฏิปทาเหมือนกันเนี้ยนะฮะข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ที่จริงไม่ใช่ดับกิเลสแต่ว่าพูดกิเลสลราพูดไม่รู้เรื่องนะฮะคือไม่รู้เรื่องเพราะมันพูดถึงการดับทุกข์มันก็คือการนั่นแหละมันก็คือการนั่นแหละเพราะมันเหมือนกับทุกข์เนี่ยมันเหมือนตัวความร้อนนะฮะตัวสมุทัยก็เหมือนกับตัวไฟ เราจะพูดดับความร้อนก็คือดับไฟนะฮะพูดดับไฟก็คือดับความร้อนแต่ยพูดดับไฟนี่มันรู้สึกว่าชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าพูดว่าดับความร้อนเนี่ยจะชัดเจนกว่าพูดว่าดับไฟนะดับร้อนแก้ไขดับร้อนขอให้เย็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นนะเราไม่ชอบตัวร้อนตรงนั้นก็อธิบายอธิบายในแนวที่จะสื่อสารติดต่อกับคนทั้งหลายได้ทีนี้ ต่อจากนั้นท่านบออิตีหาเตนะคานนาเตนะมูเตนะไดยินรวดไปเลยนะได้ยินรวดไปเลยแล้วส่วนท่านปัญญวัคคีเองนันะพระอัญญากุลัญญะอย่าลืมว่าประสาพันยุตยานคือประสาพันยุตญาหัตนะก็ทรงรู้ว่าธรรมที่ทรงแสดงนั้นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะจะมีนะแต่ปัญหาว่าใครปัญญวัคคีเนี่ยสามารถรู้ไหมพระองค์ก็ รู้ด้วยปัญญาเนาพวกนี้สามารถรู้ได้โดยพื้นฐานแบกตราของเขาในปุ่มหลังขเขาในรู้ได้แต่มันรู้จริงหรือเปลานะพอเงินพอท่านโอนโกนตัญญะรู้โอ้โหวิเศษมากเกิดปีติรู้เจ้าเกิดปิติหมดมันทํางานสําเร็จนะทำงานสําเร็จราลองนึกดูพระเจ้าทรมานรกายมาหปีพอสำเร็จประทับเสวยมุติสุขอยู่7สัปดาห์เหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากเลยประทับเสวยมุติสุขอยู่7สัปดาห์ มือก็พักผ่อนนะเมือก็คนพักผ่อนเสร็จงานแล้วก็ไปถึงพักผ่อนแต่นี้ก็ที่จริงทํางานนะในกาประทับสเสวยมุติสุขก็ทํางานได้ส่วนสอบเรื่องธรรมะทั้งหมดพอมาถึงแสดงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนฟังแล้วเห็นไหมแสดงเต็มที่เลยพระเจ้าแสดงเต็มที่แล้วคนฟังนี่จะไหวหรือเปล่าล่ะนะพอแสดงพอท่านโกนธัญญารู้ขึ้นมาพระยามพระเจ้ารู้พราะพุทนัญญาไม่ได้บอกเห็นไหมพระพุทธนัญญาไม่ได้บอกว่าท่านรู้แบบ พะเจก็เป่งเป็นพุทธอุทานขึ้นมาญาสีวัตโผกณทันโยอัญญาสีวัตโผกณทันโยคนท้ารู้แล้วคนทันยารู้แล้วกณทัญญะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกณทัญยารู้แล้วหนอท่านผู้เจริญอัญญาสีวัตโผกณทันโยอัญญาสีวัตโผกณกณทันโยชื่ออัญญากณทัญย์อัญญาแปลว่ารู้บางทีหมายถึงนิพพานนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบางทีหมายถึงนิพพานบางทีแปลว่าอื่นนะอัญญานี่แปลว่าอื่นก็ได้ คือขึ้นอยู่กับวางอยู่ตรงไหนบางทีอัคตันยูหมายถึงพระอระหันต์ก็มีนะฮะแล้วอยู่ที่วางของเขาว่าคำคำเนี้ยอยู่ตรงไห น, นวางตรงไห น, นบางทีคําว่าอัคตันยูนั้นหมายถึงชื่อพระอระหันต์ก็มีแต่ว่าเราดูที่วางของศสา์เขาคําบางคำเนี้ยอย่างที่เคยบอกท่านนั้งหลายว่าพระเจ้าจักรรู้มาเนี้ธรรมะมันมีความหลากหลายแต่ไม่มีชื่อตั้งไว้เลย เห็นไหมฮธรรมะเนี่ยมีชื่อตั้งไปเลยเหมือนกับดาวหางที่เจอเห็นไหมดาวหางเจอที่จริงมันไม่มีชื่อชื่อก็คนคนพบตกลงว่าใครพบคนนั้นก็เอาชื่อคนนั้นไปตั้งอะไรกันเห็นไหมดาวหางแต่รัแสนโกรจักรวาลมันไม่มีชื่อสักดวงเดียวอ่ะพระอาทิตย์เห็นไหมต่างคนก็ตั้งกันเยอะเลยตั้งชื่อกันแต่ละประเทศต่างๆเรียกชื่อพระอาทิตย์ดวงเดียวกันเรียกชื่อเยอะเลยเห็นไหมต่างคนต่างก็ตั้งชื่อเอา ทีนี้ไอ้ภาษาเนี่ยมันมันไม่จํากัดมันมีไม่พอต่อชื่อต่อการจะเรียกสิ่งเหล่านั้นภาษาบางอย่างจึงใช้ซ้ําแต่ว่าใช้อยู่ในที่ต่างๆใช้อยู่ในที่ต่างๆตรงนั้นหมายความอย่างนั้นตรงนั้นหมายความอย่างนั้น <S <S เราได้ยินคำว่า น, นากนาคนี่ก็ยื่นชื่อเยอะนากแปลว่างูก็มีนากแปลว่าช้างก็มีนากแปลว่าต้นไม้ก็มีนากแปลว่าพูดเตรียมจะบวชก็มีนาคหมายถึงพระอาหารหันตก็มีนากหมายถึงพระมหาสาวก็มี กไม่รู้ใครไม่รู้ใครวะตรงเนี้ยหมายถึงใคร ก, ก, ก็ไปดูเอาตรงนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าอัญญาตรงนี้มาอยู่ข้างหน้าเป็นคําคนเดียวนะฮะที่พระเจ้าเรียกว่าอัญญาคนเดียวแต่นั้นเองไม่ได้เรียกคนอื่นแล้วคนอื่นก็รู้รยิ่งกว่าพระโอกนอัญญาตรงนี้จะทําไปนะอย่างพระยศศาสตร์นี่บรรลุมขุนเป็นบระานไปเลยพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้คําว่าอัญญาเพราะจริงๆเนี่ย มันเป็นการพิสูจน์ทดสอบธรรมะว่าสามารถแสดงให้ผู้บรรลุตามได้จริงพระโกนทันยะจึงเป็นสักขีพยานในการแสดงธรรมะของผู้ในการศัสรุนีในการศัสรุปของ พ, ววพระพุทธเจ้าไม่ใช่จัดสรุองค์เดียคนอื่นจัสรุปตามไดนะ้ธรรมะนี้จะเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายเพราะงั้นเรื่องของธรรมจักจึงกลายเป็นเรื่องที่คนในรุ่นหลัง ให้ความสาคัญมากเพราะถือว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักก็จบเ็นนั้งสารนามันก็ต่อมาไม่ได้ปศสองพันห้รคณะสังมวุตรีจึงคิดวันอาสาหทบูชาขึ้นวันบูชาสรงแสดงประสงมาเทศนาเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ครบตรงเนี้ยพระธรรมก็ได้ประกาศในที่นี้พระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในที่นี้ พุทธศาสนาก็ครบพระรัตนตรัยเกิดสมบูรณ์ในที่นี้ผู้เจ้าได้พยาในการจัดสรุปในที่นี้สังครัตนาเกิดขึ้นในที่นี้เมเกิดเกิดเกิดเกิดพร้อมตรง น, นี้วันนี้วันสาระอุชาที่ที่เราจะมาถึงในวันันเป็นกลางเดือนแเป็นประธรรมเทศนาที่แสดงแก่ผู้ฟังซึ่งมีพื้นฐานมีบารมีที่สะสมมานานเราจะเห็นว่าข้อความไม่ขยายพิสดารเนี่ยที่ที่ยกตัวอย่างว่า ว่าทุ ก, ก็ทุกชาติปีนุกขาชาลาปีดุขาพรันปีดุกข า, ขาอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าชราคืออะไรปรยาที่คืออะไรโมณะคืออะไรเนี่ยไม่ได้อธิบายพูดปั๊บเนี่ยท่านสื่อสารท่านเข้าใจคําเหล่านี้ก็แสดงว่าคําเหล่านี้มันคงจะเรียกกันอยู่แล้วในสมัยนั้นนะฮนะเรียกกันอยู่แล้วในสมัยนั้นท่านปานเดวคีท่านฟังท่านเข้าใจในทันทีประเด็นสําคัญว่าคําว่ารู้ในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ย มันเป็นสูตรหลักที่จริงมันเป็นสูตรแบธรรมชาติคือว่าเมื่อท่านรู้ในความไม่รู้มันดับอย่างที่บอกก่ตะกี้ว่าโลภะตัสามโมหะมันมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมาจากตัวรู้เพราะนั้นรู้ของท่านเนี่ยรู้ของท่านหมายความว่าใจมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อไอ้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปทําลายตัวโลภโกรธหลงโลภ ก็ทำลายไอ้ไม่ใช่โลภไม่โลภ ก, ก็ทำลายความโลภไม่โกรธ ก, ก็ทำลายความโกรธไม่หลงก็ทำลายความหลงทำลายไปจนถึงตัววิชาก็ทำลายอาวิชชาในที่นั้นมันจึงมีเฉพาะวิชาเหมือนอะไรเหมือนกระแสงสว่างทำลายความมืดในที่นั้นจึงมีแต่สว่างเห็นไหมในที่นั้นจึงมีแต่สว่างเย็นทำลายความร้อนในที่นั้นจึงมีแต่เย็นมีแต่เย็นเท่านั้นเองไม่มีร้อนดังนั้นจิตใจของพระหันของพระพุทธเจ้าของ ปริยัจฉทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าระดับพระอราหารันนะฮะท่านก็หมดกิเลสไปอย่างสมบูรณ์ก็แสดงว่าใจท่านไม่มีกิเลสแล้วก็มีแต่คุณธรรมท่านจึงเรียกว่าเอเสนวนะบิต ร, รมว่าโลกุตระเจตสิกเป็นโลกุตระจิตนะจิตท่านเป็นโลกุตระท่านอยู่เหนือโลกแต่ท่านอยู่กับชาวโลกเพราะาท่านอยู่กับโลกเวลาพูดท่านก็พูดภาษาชาวบ้าก็เรียกว่าเป็น ภาษาเป็นโล ก, กสมมุติโล ก, กสมัญญาโลกกับโวหารโลกกับนิรุตแต่ก็ไม่ไปเถียงกันใครเอาคุณตรงนี้คุณเรียกอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็พูดกันด้วยภาษาอย่างเงี้ยนะไปถึงบ้านหนึ่งนะเขาเรียกอย่างเงี้ยบาทเนี่ยก็เรียกว่า <laughs> ทารณะทารณะกับทารณะเถียงกันว่าบาทฉันเรียกว่าบาทจะทะเลาะ ก, กันเรียกชื่อคนเะดียวไม่เอาเพราะจริงๆทารงอันนี้มันสมมติออกเฉย เพราะภาพจิตของท่านเหล่านี้นะฮะท่านท่านท่า น, ท, านที่เข้าถึงญาณเนี่ยที่ว่าเนี่ยท่านก็อยู่ในโลกนะแต่อยู่ในโลกยังมีปัญญารู้เท่าทันอย่างระดับพระัญญาโกณทัญญะมันก็คือคุณสมบัติของมโสดบันที่เราจะมองได้สี่มุมอย่างที่ว่าแล้วจะมองจะมุมไหนก็ได้แต่เหมือนกันนะฮนะเพียงแต่ว่าสะท้อนจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเด็กแต่ทั้งหมดท่านก็มีคุณสมบูรณ์หรือสงนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่กับชาวโลก แต่อยู่อย่างรู้เท่าทันถึงความจริงมาอาจจะมีปัญหาแต่ส ก, กิดนิดเดียวหายแล้วอย่างนา ง, นางวิสาขาเป็นโสดาบานันร้องไห้ไปเพราะหลานตายผู้จารับสั่งถามมาเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนโอ้อยากใจอคนในกรุงสาวัตถีนี่เป็นหลานทั้งหมดเอาละคนสาวัตถีตายวันละกี่คนท่านนั่งน้มนวลมองวั น, 20, 30, วนทั้งย3่สิบสามสิบผู้จา่าบอกเออถ้าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ตลอดทั้งวันนะต้องทำอะไรหรอหายเลย พูดกก ง, ง่าง่ายพูดง่ายงแล้วไม่อธิบายให้คิดตัวเองให้คิดตัวเองอย่าอธิบายอย่างนั้นตั้งประเด็นให้คิดเอาแล้วคิดตัวเองไม่ต้องอธิบายวิจิตพิสารอะไรพจริงๆแล้วท่านเป็นทิฏฐิสัมปันธะและนะ้วความเห็นท่านชอบแล้วนี่ก็เป็นข้อความในธรรมจักก็ค่อยค่อนข้างพิสารอนะันดังสาชั่วโมงก็คิดว่าคงจะให้ความรู้ความเข้าใจลักษณะที่ต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ตามสมควรในที่สุดนี้ ขออนุภาพเป็นคุณประสีรัตนาไตรไ ด, ปดโปรดดนบันดาลวิบากษาท่านทั้งหลายประสบความเจริญง้องามไปบุญในธรรมอันพระผู้มีคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านทื่น